พระบรมศาสดาทรงสอนให้เว้นเสียเพราะฉะนั้นแม้จะประสบปัญหาหัวใจหรือได้ความทุกข์ยากลำบากสักปานใดก็จกไม่ทิ้งธรรมมนุษย์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 นักปราชญ์ท่านกล่าวไว้ว่าอันไม้จันแม้จะแห้งก็ไม่ทิ้งกลิ่นหัสดินแม้จะก้าวลงสู่สงครามก็ไม่ทิ้งลีลาอ้อยแม้จะเข้าสู่หีบยนต์ก็ไม่ทิ้งรสหวานอันบัณฑิตทั้งหลายแม้จะประสบทุกข์เกียนตายก็ไม่ทิ้งธรรมขอท่านทั้งหลายจงยินดีในธรรมจงมีธรรมเป็นที่พึ่ง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 เป็นสิ่งที่ทารุณและเป็นเครื่องทำลายความสุขของปวงชนทุกคนต้องการความสมหวังในชีวิตรักแต่ความรักให้ความสมหวังแก่ใครได้ถึงครึ่งหนึ่งของความต้องการยิ่งเป็นความรักที่ฉาบทารูปไร้ด้วยความสเสน่หาแล้วจะเป็นพิษแก่จิตใจทำให้ทุรนทุรายดิ้นรนไม่รู้จักจบสิน้นความสุขที่เกิดจากความรักนั้น เป็นเสมือนความสบายของคนป่วยที่ได้กินของสแสลงพระศาสดาจึงตัดเตือนไว้ว่าขอเราทั้งหลายอย่าได้พอใจในเรื่องรักเลยเมื่อหัวใจถูกรูปไร้ด้วยความรักหัวใจนั้นจะสร้างความหวังขึ้นอย่างเจิดจ้าและทุกครั้งที่เราหวังความผิดหวังจะรอคอยเราอยู่เพราะฉะนั้นอย่าหวังอะไรให้มากนักจงมองดูชีวิต อย่างผู้ที่กำลังศึกษาและเรียนรู้อย่าวิตกกังวลอะไรล่วงหน้าชีวิตนี้เป็นเสมือนคลื่นซึ่งก่อตัวขึ้นแล้วก็ม้วนตัวเข้าหาฝั่งแล้วแตกกระจายเป็นฟองฝอยจงยืนมองดูชีวิตเหมือนคนที่ยืนมองดูอยู่บนฝั่งมองดูเกลียวคลื่นในมหาสมุทรฉันนั้น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 พระบรมศาสดาจึงทรงสั่งสอนให้เราทั้งหลายได้แสวงหาพระธรรมเป็นที่พึ่งแห่งชีวิตไม่ปล่อยใจให้ลุ่มหลงไปในความงามอันยียวนอารมณ์ซึ่งไม่ได้ด้วยจักษุวิธีทางแห่งชาโลกมุ่งมั่นได้ตามปรารถนาไม่ได้คำนึงถึงพยัน์อันตรายที่อยู่รอบด้านว่าจะเป็นอย่างไรสังคมของมนุษย์จึงมีแต่ความเบียดเบียนกัน ยังมีแต่ความเขียนค่าราวีกันความเกิดขึ้นแห่งกิเลสตัณหาเป็นความเกิดขึ้นแห่งทุกความทุกมีสาเหตุมาจากกิเลสตัณหาเป็นแดนเกิดและจะดับก็ต้องดับเหตุนั้นเพิ่งดูจากความร้อนเมื่อไฟยังลุกโรลงอยู่ความร้อนหาได้ดับไปไม่แต่ถ้าต้องการให้ความร้อนดับต้องดับไฟซึ่งเป็นมูลเหตุนั้นฉันใด ความทุกข์ก็ฉ น, นั้นเป็นความร้อนแห่งชีวิตพระศาสดาทรงกล่าวว่าเพลิงคือกิเลสคือราคะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างเป็นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานหรือมิฉะ น, นั้นก็คือเพลิงทุก์ตามธรรมชาติคือความแก่ความเจ็บความตายเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทางใจแก่ผู้ที่ยังมีตัณหา อุปาทานยึดมั่นถือมั่นในตัวตนอยู่ผู้เข้าใจในหลักครองชีวิตเมื่อประสบทุกข์จึงต้องนำทุกข์นั้นขึ้นวิเคราะห์ว่ามีความทุกข์มาจากอะไรแล้วทำลายสาเหตุแห่งทุกข์นั้นเสียทุกทั้งปวงก็ดับไปนี้เป็นแนวทางที่ถูกต้องไม่เสียเวลาเปล่าและมีผลคุ้มค่าน่าอัศจรรย์ท่านที่ใครในธรรมทั้งหลาย ความลืมตัวมัวเมาเป็นสัญลักษณ์สำคัญประการหนึ่งของมนุษย์เขาไม่เคยหวนคิดถึงความละบากยากเย็นที่ร่วงมาแล้วและบางทีก็เป็นความจงใจที่ไม่อยากจะคิดถึงมันเลยเพราะมันอาจจะทำให้จิตใจของเขาสลดหดหูและอาจจะทำให้เขามัวเมาไม่เต็มที่โดยเฉพาะความทุกข์ยากของคนอื่นด้วยแล้วใครเล่า จะอาทร น, นักหนาความรู้สึกที่ว่ารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีนั้นได้ฝังแน่นในคนบางกลุ่มและด้วยความรู้สึกอันนี้ทำให้เขาเหล่านั้นไม่ยอมเสี่ยงภัยกับอะไรทั้งสิน้นที่เป็นเหตุให้เขาต้องลำบากแม้มันจะเป็นผลดีแก่สังคมมนุษย์สักเพียงใดก็ตามจึงทำให้มนุษย์ส่วนมากหาทางรักษาตัวรอดอย่างเห็นแก่ตัวที่น่าบัดสีที่สุด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 ผู้กล้าหาญควรสละชีพตนเพื่อรักษาชีพของผู้อื่นแต่ถ้าการร้างผานชีวิตของผู้อื่นเพื่อสงวนชีพของตนเป็นการถูกต้องแล้วโลกของเหล่านี้ก็คงเป็นรานมิกาสัญญีที่ชุ่มโชคไปด้วยเลือดและน้ำตาอย่างแท้จริง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 ความสุขเล็กๆ น, น้อยๆที่เราได้รับจากตัณหาก็เป็นเพียงรางวัลอันเล็กน้อยที่นายผู้เหี้ยมโหดทารุนเป็นผู้หยิบยื่นให้เพื่อเป็นเหยื่อร่อราไว้ใช้อีกต่อไปนายคือกิเลสจึงเป็นนายที่ทารุนกว่าผู้ทารุนใดๆเพราะมันทำให้เราระหกระเหินบอบช้ำและทุกข์ทรมานอยู่วันแล้ววันเล่า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 n i h i n g Wah satu sak satu, a w a a d o r a n a k